ฟังทำกันพวกเราไม่ผูกฟังไม่ผูกพูดเพื่เป็นส่วนประกอบกับการศึกษาการปฏิบัติโดยเฉพาะภาคปฏิบัติเนี่ยเป็นภาคพิเศษเป็นเรื่องจริงเป็นประมาทไม่ใช่เป็นสมมุติ การศึกษาแบบโล ก, โลกเป็นสมมุติแต่ว่าการศึกษาชีวิตจริงๆเนี่ยเป็นปมรมาทติ์แล้วในชีวิตเราก็เก็ีสมมุติมีปรมาทิตย์ด้วยความโกรธเป็นสมมติความไม่โกรธเป็นปรมาติตยความทุกข์เป็นสมมุติความไม่ทุกข์เป็นปรมาทิตย์ เราจะอยู่ในแส่ในโลกแห่งความเป็นสมมุติโลกแห่งความสมมุติมันเป็นโลกมายาสาไถไม่ดีรังยั่งยืนเป็นโลกทีลเพึ่งพาใสงไม่ได้โลกคือกายขวางสอกยาวานาคืบโลกคือหมูสัตว์โลกคือท้องฟ้าอากาศ อนนั้นมันก็เป็นโลกอันน่แต่วันโลกชีวิตของเราที่เราจะอยู่เนือโลกคืออยู่ในโลกแห่งปรบมัติสามารถที่ทำได้ฝึกขัดจนเหนือการเกิดแก่เจ็บตายไม่าพาคปฏิบัติ <c oughs> เป็นภาพทิ้งจังไม่ใช่ภาคิสดสฎีไม่ใช่ภาพนิยายเรื่องราว เ ร, เรารููแต่เรื่องราวไม่แต่เรื่องพุทธศาสนาเขาเล่ากันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประวัติของพระเจ้าประวัติเราพระสาวก ป, ประวัติประเทศอินเดียอมันแค่นั่นเองไม่ใช่จริงเราคว่จะ <c oughs> เป็นเรื่องธรรมะไม่ใช่นิยายไม่ใช่เรื่องราว <c oughs> เราจะมัดตูมาดู <c oughs> มันมีสติเนีเริ่มต้นจากการรู้สึกตัวการรู้สึกตัวไปอยู่กับกายเอาไปอยู่ด้วยกันให้มีโอกาสอยู่ด้วยกันกายกับสติเป็นบุพภพเป็นบุพกิจบุพกรณ์เบื้อมต้นจะทําอย่างไรให้กายกับสติอยู่ด้วยกัน ในมันเป็นคู่กันจริงๆเราก็จึงมีวิธีหรือมีรูปแบบเรียกว่าวิชากรรมฐานเป็นวิชามีที่ตั้งมีการกระทํามีที่ตั้งเราสติไปตั้งไว้ที่กาย <c oughs> ตามรูปแบบ เรากายเป็นนิมิตสติมันก็ไม่มีตัวเป็ตนตนแต่ว่ามันก็สามารถลู่ได้จริงๆเห็นเราพลิกมือยกมือเคลื่อนไหวมือหรือการเดินจกมกรมหรือการหายใจน่นมันก็สามารถที่จะลู่ได้กับการเคลื่อนไหวกับจีพตนั่นๆนให้ตั้งอยู่ ไม่มันจะหลุดไปทั้งอื่นก็กลับมาตั้งไว้เรามีความเพียนตรงนี้ความเพียนคือการทำอย่างนี้เพียนที่จะลู้เพียนที่จะตั้งไวท้ที่เก่าที่เก่ามันจะมีหลายเรื่องที่มันจบพัดหลงไปก็ไม่เป็นไรมันก็ธรรมดามันก็มีความหลงหรอกยังมีความลู้พอมาเป็นของคู่กันความหลงอาจจะมากกว่าความลู้ทำใหม่ ออกจากความหลงที่มันหลงไปทางสายทางจิตทางตาทางหูมันก็หลงเยอะแยะวัตถุที่ทําให้เกิดความหลงก็ไม่มากในตัวเรา เ, เราอาจจะใช่มากมากใช่ความหลงมากๆเกียยวกับความหลงความหลงเป็นผู้บงการความหลงเป็นใหญ่แม้บางที ใม่หลงก็พยายามที่จะให้มันหลงหาเรื่องที่จะให้มันหลงเรื่องต่างหูจมูกลิ่นกระใจหมดนี่เพระนันวันนี้หรือโอกาสที่เวลานี้เราก็หาเวลาหาโอกาสมาร่วมกันมาอยู่ด้วยกันไม่ผู้บอกไม่ผู้สอนไม่ผู้พาไม่ผู้นำพาไม่ผู้พูด มีสถานที่มีจิริยามาีลักษณะเป็นรูปแบบก็จะว่าสมบูรณ์มาตั้งไหวมาสร้างมาตั้งจังหวะก็มีมือก็มีมือเป็นกายในภาษาในพระสูตรว่ามีสติเห็นกายเาว่ากายคือทั้งหมดตั้งแต่เท่าจุดสีรษะจุดปลายผมในว่ากายกายหยา ภาษาบาลีเรียกว่ากายญานุปัฏนาภาษาบารีเรียกว่ากายนะมีสติเห็นท่านเลยได้ว่ามีสติดูมีสติเห็นสตินี่ใช่เป็นศัพท์ทั้งดูทั้งเห็นตำว่าดูคือคือมันก็นเฉพาะหน้าให้เห็นผ่านผ่านสายตาอยเสมอแต่ดูมันก็มีการเห็น แล่วเมื่อมันเห็นมันก็ไม่เห็นเฉพาะกายนะแต่ว่าเห็นเนี่ยนตาที่เรานั่งอยู่เราเลื่นตาอยู่อะไรที่ผ่านมาทางหน้าเราก็ต้องเห็นเมื่อเราจะดูอ่ในเม็ดสกปรกหนึ่งแต่ว่าเราเลื่นตาดูเมื่อมีสิ่งต่างๆผ่านมาทางหน้าเราก็เห็นเราดูอนิเมตแต่ว่าไม่เห็นอนิืจ์ได้ความรู้สึกตัวนี้ประมาณกันมันเป็นตาอาจจะรอกขวบ อาจจะโลดรอบขวาตาเนื้อด้วยซ่อาไปตาเนื้อมันเหมือนแสงไฟฉายไปทางเดียวถ้าดูไปข้างหน้าข้างหลังก็ไม่เห็นถ้าดูไปข้างหลังข้างหน้าก็ไม่เห็นถ้าดูไปข้างข้างขวกข้างซ้ายก็ไม่เห็นไปทางเดียวตาเนื้อแต่ว่าตาในสติเนี่ยมันจะไปรอบๆอมันจะโลดรอบ เราลู่กายเคลื่อนไหวเวลามันคิดเราก็รู้สึกมันเห็นความคิดแล้วเราก็กลับมากลับมาหาตกายเนี่ยจะไปมันจะดีขนาดไหนก็จะไปเวลานี้เราไม่ได้มาคิดเราไม่ได้มาดูอะไรเราไม่ได้ว่าเอาสุขเอทุกข์เอาผิดเทุถูกความผิดความถูกก็พาให้เราหลงได้ความสุขความทุกข์ก็พาให้เราหลงได้ความชอบความไม่ชอบก็พาให้เราหลงได้ความรักความชังก็พาให้เราหลงได้ความ ไม่สะดวกไม่สบายก็าพาให้เราหลงได้สถานที่ต่างๆบุคคลต่างๆอาการต่างๆอากาศต่างๆความร้อนความหนาวพาให้เราหลงได้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเราได้ทําให้เป็นสุขทำให้เป็นทุกข์ที่แท้ก็คือหลงวันนี้เรากลับไม่หลงพยายามที่จะกลับมามหาที่ตั้งไหมนานเท่าไหรก็ยิ่งดีนั่งไว้านานหนึ่งวันบ้างสองวันบ้างสามวันบ้าง ห้าวันเกล็ดวันบ้าให้ขอให้มีสักครั้งหนึ่งเถอะชีวิตเราเราก็อยู่กับกองลงมานานแล้วบางทีชีวิตเรานี่แบ่งให้อย่างอื่นมากมากแล้วแบ่งให้โลกแบ่งให้ล้านแบ่งให้หมูให้เม็ดแบ่งให้บุตรปัญญาสามีแบ่งให้นานให้การแบ่งให้การเวลาแบ่งให้ความรักความชังแบ่งให้ความชอบไม่ชอบตอนนี้เราลองมาโลกมาให้แบก ชีวิตที่ไม่ต้องแบบมาให้เป็นตัวสติให้สตินะชีวิตทั้งหมดให้สติจะเคลื่อนจะวิ่จะทาอะไรก็ตามพยายามที่จะให้มีสติให้มันเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีเอามามเป็นความรู้สึกตัวทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกเนี้ย <c oughs> แล้วมันก็รู้ได้ทั้งหมดความรู้สึกตัวเป็นตัวเลยได้ทั้งหมดของกายของใจ ความรู้จบลงแล้วลงตัวแล้วความรู้สึกตัวเป็นความลงตัวความหลงไม่ลงตัวมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยไม่จบไม่ขึนผมรู้สึกตัวลงตัวลงตัวลงตัวลงตัวถ้าเราทําอะไรมันลงตัวใส่น็อตใส่เกลียวใส่แหวนใส่อะไรถ้าใส่ได้มันลงตัวลงตัวใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้มันก็สําเร็จประโยชน์ความรู้สึกตัวมันสําเร็จประโยชน์อยู่ทุกขณะ มันก็ไปจากความหลงอยู่ทุกขณะควรู้เท่หนึงก็สำเร็จแล้วรู้เท่หนึงก็สาเร็จแล้วน <c oughs> ันไม่มีขั้นตอนที่หนึ่งที่สองที่สามฉันชื่อว่าความรูม้่ะหมวันเราทํางานทาการเราโูกข้าวเราต้องไขต้องหวานต้องไปโปกต้องไปดำต้องไสน้ำเข้าเอาน้าออกต้องไปเก็บไปเกี่ยวต้องไปนวดไป ผลไอะไรตัวหนึ่งมาซือมากินนย่างนา น, นแล้วก็เรื่องต่างๆหลายขั้นตอนเราก็ทําได้แล้วเราก็ทําได้เลยเรื่องของความรู้สึกตัวไม่มีขั้นตอนสาเร็จแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวโล่โล่โลดนะพราว่ามันสะดว ก, กสะดวสร้างความรู้สึกตัว ไม่เหมือนกับการบแม้แต่เรากินข้าวมันก็ยังไม่สะดวกเข้ากับความรู้สึกตัวต้องเอามือต้องมีกิริยาท่านนั่งต้องเอามือสองมือด้วยอ้านิ้วสิบนิ้วด้วยต้องมีปากต้องมีภาชนะต้องมีอาหารต้องมีการเขี้ยวอังนีก็ พอใจอิ่มก็โอ้ยเหนื่อยเลยกินข้าวเราก็ทําได้สําเร็จกินข้าวจนอิ่มความรู้สึกตัวเนี่ยไม่ฝันนั่นหรอกเป็นตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเราอย่ามองข้ามผมรู้สึกตัวอย่ามองข้ามมันยิ่งใหญ่มากนะมันยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราผมรู้สึกตัวให้ความรู้สึกตัวมันยิ่งใหญ่ลองดูในชีวิตเราเนี่ย จะให้ความหลงมันยิ่งใหญ่จะให้ความรักความจังมันยิ่งใหญ่จะให้ความหิวความทุกข์อะไรมันยิ่งใหญ่ให้ความรู้สึกตัวยิ่งใหญ่ให้ความรู้สึกตัวยิ่งใหญ่เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรมอบให้ความยิ่งใหญ่ให้ความรู้สึกตัวยิ่งใหญ่ในชีวิตเราดูสักการเวลาที่พอจะหาได้นะเราก็ลืมไปมากว่าเรื่องนี้นะ สู้มีชีวิตจนตายไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้กันนะ่ะอกนานๆจะทั้งนั้นจะคิดได้ว่ า, ว า, วาแแว ม, แ ม, มูช่างสวบัดหูแลบลิ่งมันไม่พอหรอกเราต้องให้โอกาสมาปฏิบัติมาสร้างมาประกอบมาสัมผัสมาต่อมาจุม่มเอาแล้วก็เราก็พยายามสร้างเสียงแวดล้อมให้ดีๆแล้วก็ช่วยกันด้วย ช่วยกันจริงๆอยู่นี่อาจารย์สงสินพาธรรมพาธรรมจริงๆไม่เด้เปียวะจะไปถือว่า <c oughs> ให้รีดให้เข็ ด, ใ ห, ขดให้หลบับจะไปเป็นเรื่องเข็ดหลาบการเข็ดหลาบในการทำความดีมันไม่ถูกต้องการเข็ดหลาบในการทำความชั่วมันน่าน่าจะเข็ดหลบับเช่นความโกรธคนที่เข็ดเข็ดหลบับรู้จะเข็ดจกหลับเสียบ่า แต่เราก็ยังไม่รู้ไม่รู้จักเข็ดหละ่ะบางทีก็ชอบด้วยาหาเรื่องที่จะโกรธถ้าได้โกรธเราลืมไม่ลงก็ลืมไม่ลงลืมไม่ล ง, ลลงถ้ากูดไดโกรธต่อตายเขาก็ไม่ลืมถ้ากูดไดโกรธก็ต้องด่ามันอะไรต่างๆไปหน่อยไม่รู้จักเข็ดหลับมันไม่มีประโยชน์นะแต่นี่ความรู้สึกตัวการมาสร้างความดีออย่าไปเข็ดหละ่ะให้การตื่นลือล่นในการกระตือรือร้นมีความเพียร มีความเพียรมีศรัทธาอาศัยศรัทธาเชื่อมัน่นทำดีมันก็ดีจริงๆคำชั่วมันก็ชั่วเนะี่ยอย่งเรานี้เราปฏิเสธไม่ได้แต่น้อยเราก็มีศรัทธาแบบเนี้ยคำดีมันก็ดีคำชั่วมันก็ชั่วเอามีสติมันก็ไม่ห ล, นะลง่ะความหลงน่ยโอ้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะความรู้ก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยไปคนลักางหันหลังให้กันความหลงพาไปสู่ทุกข์ ความไว่หลงไปพาไปสู่สุขติเราสวดบาปนำไปสู่นรกบุญนำไปสู่สุขติความหลงนั่นก็คือบาปความรู้คือบุญไว้อยู่ในมือของเราเนะีย่ยไปมองใกลต้องเริ่มตรงนี้บุญคือความรู้สู่ตัวบาปคือความหลงตัว ความหลงปลายเราโกรธเพความหลงปายเราทุกความหลงปายเราเลยมีปัญหาความรู้สึกตัวนึ่ลงตัวไม่เป็นไรมันจึงว่าเป็นเป็นบุญเริ่มจากตรงนี้เป็นบุญน้อยๆถ้าจะเป็นสวรรค์ก็เป็นสวรรค์น้อยๆถ้าจะเป็นในพานก็เป็นในผานน้อยๆจะเป็นความเย็นก็ให้มันเย็นอย่างนี้เรียนแบบสัมผัสอย่าไปคิดเอา ในบุญก็พากันคิดเอาสวรรค์ก็พากันคิดเอา <science S 2> นิพพานก็พากันคิดเอามัน <m arch> e> ก็ไกลตัวออกไปความคิดเนี่ยมันไกลการเห็นเนี่ยมันใกลๆอย่ากคิดเห็นเนี่ยมันไกลกา ร, รพบเห็นมันอยู่เกลดไกลเราเห็นมือเคลื่อนไหวมือวางไว้วางเข่ารูดรูดทั้งรูดทั้งเห็นด้วยเพิดมือเคลื่นรูดทั้งเห็นด้วยเนี่ยเห็นอยู่จริงๆนะเห็นมือแต่มันเพิดอย ตั้งอยู่ยกขึ้นก็เห็นอยู่นะเห็นอยู่โล่อยู่นะมันศักดกิ์สิทธิ์นะเพราะว่าที่ดูที่เห็นที่รู้สึกตัวนะั้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันศักดิ์สิทธิ์คือมันสําเร็จนะมันโล่มันโล่ลอยู่ถ้าลู่ก็ไม่ลงแล้ว <c oughs> ไม่ใช่ศักดิ์สิทธิ์แบบเหาะเหินเดินอากาศการเดินมนอากาศไม่ศักดิ์สิทธิ์การเดินในนา้าไม่ศักดิ์สิทธิ์การเหยียบบนไปผืนแผ่นดินเนี่ศักดิ์สิทธิก์กว่า ผ่านหมู่ไม้ผ่านก้อนกวดก้อนเห็นผ่านน้ำข้างผ่านอะไรมันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มั่นใจขวดที่ไปเดินบนนะเดินบนอากาศนะอย่าไปคิดที่มันเป็นอะกิณไตสิ่งไหนเป็นอะกิณไตพุทธเจ้าห้ามคิดห้ามพูดห้ามทำบางทีเราจะไปอยากได้ฤิ์ได้เด็ชไปสวรรค์อยู่ที่โน่นที่นี้วาดมโนภาพอะไรไม่ใช่สวรรค์มันต้องเป็นปัจจตัง มันต้องเห็นได้เดี๋ยวนี้ในความรู้สึกตัวในความรู้สึกตัวในความรู้สึกตัวนในตรงตรงกําเนิดเกิดขึ้นแห่งพระศาสนาแห่งโพธิญาณแห่งพระพุทธเจ้าแห่งศีลแห่งสมาธิปัญญาแห่งมรรคผลนิพพานเราตั้งต้นจากตรงนี้ในหมู่ชาวพุทราอ <c oughs> ย่างอย่างไม่น้อยในหลักของภาวนาเนี่ยนี่แต่นี่แหละทําเป็นอ จริงจังเป็นโครงการต่อเนื่องในโรงพยาบาลเวลํามโรงพยาบาลชัยภูมิเนี่ยหลวงพ่อหรือว่าคุ้มค่ากับวัดป่าสุประตูในในอกในผู้ที่มาปฏิบัติต่อเนื่องในโครงการต่อเนื่องมาศึกษากันจริงจริงมากันเป็นตรงมาสายตรง <c oughs> พ่อเขาพาว่าโอมใจไม่หวังนะผู้เที่ยงหนึง่งผู้เที่ยสองผู้เที่ยสามบอกให้พิมกมือขึ้นลูดสื้ตัวยกเมื่อขึ้นรูดสื้ตัวก็ใช้ได้แล้วตามศึกษาแล้วเขาจะกจเริญเวเหมือนเราเลี้ยงลูกพอแม่เอานมใส่ปากให้ลูกลูกลูดจะดูดตรงเออมีหวังโอโตวันโตขึต้นเอาข้าวใส่ช้อน ใส่ปากให้โลกโลกมันเกินข้าวเออคอยพอดีวันโตวันโตคืนขึ้นไปเรื่อยๆการเจริญเติบโตในมรรคผลที่ผ่านก็คือเนี่ยดูดนมอริมักอริมักคือดูนี่แหละอริมักคือแท่คือดูเนี่ยมักคือดูเนี่ยรู้เหตุจะเนี่ยเป็นนมเป็นนมแหฮะอริมักเมื่อมีมากก็จะต้องมีผลเหมืนเราเลี้ยงโลกเมื่อมันกินข้าวก็ต้องเจริญเติบโต เพราะการกินข้าวมันทําให้เจริญเติบโตถ้าไม่กินมันก็ตายไม่กินข้าวไม่กินนมมันก็ตายเท่านั้นคนเรามันตายตายจากความรู้ประโยชน์วามหลงความหลงคือตายความรู้คือความไม่ตายความโกรธคือความตายความไม่โกรธคือความไม่ตายความทุกข์คือความตายความไม่ทุกข์คือความไม่ตายเราอยู่ในโลกแห่งความตายเป็นวัฏฏะขึ้นมาเหยียบโลกสัก สองขาอย่าไปเหยียบขาเดียวทั้งหมดก็มีสองขาเหยียบโลกแห่งโลกุตตะละเหยียบโลกแห่งโลกียะไหนๆมนก็ต้องเหยียบไปแล้วแหละโลกียะสนะุขสุขทุกขทุกข์รักรชังชนะังข่มร้ายข่มดีนี่ไปเหยียบสักขาหนึ่งอขาหนึ่งก็รู้สึกตัวขาหนึ่งหลงตัวแล้วลองคิมดูควาหลงกับความรูนะ้มันต่างกันไหม ความโกรธควาความไม่โกรธต่างกันไหมความทุกข์ควาความไม่ท <t ip concentrate> sí. <mas> ุกข์มันต่างกันไหมําฝันดูแล้วเราก็จะลูกจากเลือกนะถ้าอยู่ในโลกแห่งแต่ความสมมุติน่ะมันเลือกไม่เป็นหรอกมันมืดเหมือนคนอยู่กับความโกรธเขไม่เห็นความโกรธเขอยู่กับความทุกข์เขไม่เห็นความทุกข์หลวงพ่อเคยถามเป็นผู้ทุกข์หรือว่าเห็นมันทุกข์เป็นผู้โกรธหรือว่าเห็นมันโกรธเป็นผู้หิวหรือว่าเห็นมันหิว เป็นคนหนาวหรือว่าเห็นมันหนาวอย่างนัแล้วออกมาดูบางทีเป็นเป็นกับมันเป็นคนหนาวโอ้ยหนาวหนาวหนาวหิวหิวหิวล้อนทุกโกรธโกโกรธชอบโกไม่ชอบถลําเข้าไปอนนี้มาดูมาเหยียบออกมาดูสู้ทั้งหลายจบมาดูโลกนี่ อันวิกิตกเกินดดหลอดชนรถที่คนโง่คนไม่มีสติเขาหมกเขาหลงอยู่แต่ผู้มีสติห้าข้องอยู่ไหอ่ะมันไม่ไปอยู่มันจะเห็นเห็นมากกวเลือกน่ะเพราะว่าที่เห็นมันสุดยอดนะได้เห็นกับตาเนี่ยโอ้มันชัดเจนตาในก็าหรองได้เห็นเห็นมันหลงเห็นมันไม่หลงอ่เลือกได้ความหลงไม่เป็นธรรมความไม่หลงเป็นธรรมกาใช่ได้นี่ แต่ถ้าคนไม่เคยมีความรู้สึกตัวจะไม่เห็นความหลงก็ไม่เป็นเป็นยังไงไม่รู้เนะะบางทีก็มันเอาชีวิตเราไปกินเครื่องทางค่อนทางไปแล้วคอยจังหวาถอยกลับเถอดพรกเรามาถอยกลับมาสมให้บันตื้นกันว่าเหมือนอตำนานว่า <c oughs> กับหนึ่งกับหนึ่งได้บาตใได้บุญกับหนึ่งราาักษาศีลได้บุญ สะลกลับให้ทานบมเพ็ญภาวนาได้มากกลับคำว่าว ก, ลกลับมีเทวดาในภูเขาพะสุเมนสูงร้อยยอดพวงร้อยอมีสักพวงรอยยอหลึกร้อยยอดยาวร้อยยดอดร้อยปีจะมีเทวดาเอาเม็ดงามาทิ่งลงในสักนั้น จนเม็ดนาเต็มศัพทนั่นก ว, ว่ากลับหนึ่งะับหนึโอ้มันนานเหลือเกินเพราะเราหลงมานานหลงมันนานแล้วกันก ล, ลักกบกบลับขึ้นผงลงไปลู่ลงไปลู่ลงไปประจงมากลับขึ้นลู่ลงไปลู่ลงไปลู่ลงไปคองหลงมันลึกมากควาหลงควาโกดความลึกมากความทุกข์ความระลึกมากมถมลงไปถมลงไป ลู่ลงไปลูกทีหนึ่งลูกทีหนึ่งเหมือนเทวดาถมถมถมกลับให้มันตื้นขึ้นมามันตื้นขึ้นมาความลงเโอ้ยเราอยู่ในโลกแห่งความหลงอยู่ในโลกแห่งโลกียะไม่ได้อยู่ในโลกคุตระทั้งทัางที่ไม่ไกลจากเราเลยอยู่ข้างหลังเรานั่นแหละหรืออยู่ข้างหน้าเรานะความลู่สึกตัวความลู้สึกตัวความลู้สึกตัว แต่โมแต่ไปอ่าทำพิธีรักษาศีลให้ทานไม่ลูกไม่แบบส่วนน้ำโอ้มันก็แค่นั่นเองเลยไม่เข้ามาหาตัวลู้สึกตัวนี่นลยละบางทีรักษาศีลก็จะลู้ด้วยลู้หรือหลงด้วยหลงเลยครับว่าตัวเป็นผู้มีศีลแต่จริงศีลมันคือไหไร มันคงไมมปกติไหมศีลจริงๆมันต้องปกติสิ่งที่ทำให้ปกติต้องเกิดจากสติทั้งนั้นไม่ได้เกิดจากตรงไหนเลยที่กายวาจาใจที่มันปกติมันเป็นผลผลของความรู้สึกตัวโดยเรารักษาศีลโดยที่ไม่มีสตินะมันก็ไม่บริสุทธิ์มีแต่รูปแบบเจตนาหังนไปคุยสีลังวทาน มีเจตนาอะไรมีปกติไหมศ <c oughs> ินมันต้องเกิดจากการปกติก่อนที่จะมันจะเกิดปกติเราต้องมีสติมีสติเช่นบุคคลคนคิดในอารมณ์ที่คนคิดไม่มีสติถูกความคิดตอบงํอยัางยืนถือว่าสินของเธอทะเลาะแล้วทะลุแล้วด่างแล้วต้อยแล้ว แต่คิดเราก็ยังทะลุแล้วดังแล้วพ้อยแล้วซีดนะ่ะเราไปมีแต่รูปแบบเท่านั้นวนะ่า น, นกกยางมายาสาธัยนกกยางแจวเลขนกกยางเจ้าเลขทําท่านกกยางเจ้วเลขจะาาหากินที่ไหนก็ไม่ได้แต่เลยได้ดเขนเราจะทําท่าเป็นอ สินซะหน่อยยืนอยู่กลางน้ำพบงปลาก็แหวกหมายืนอยู่หนึ่งวันสองวันแล้วนกกระยางก็ยืนอยู่ปาีก็มีปลาลอยแหวกไหมาเขเห็นแปถามว่าเจ้านกกระยางทำไมจะไม่กินอาหารหรอกกปลาก็เห็นแป็ดแฝด <c oughs> ถาม ไะไปลาเนีนี้นี้อย่ามาได้เราเรากาลังจําสินเรากำลังจําสินอยู่เดี๋ยวนี้นะอะจะเกิดความริบวัดน้ำในบึงในหน้องในคลองจะเหดแห้งหมด่าฝนจะไม่ตกต่องตามฤดูกาลปกผงปา้าผงสัตว์ในน้ําจะต้องตายกันทั้งหมดเราจึงจําสินชั่งหน่อยเพื่อให้ธรรมชาติมันกลับคืนมา พอปลาได้ยินเน่นั่นก็ไปเล่ากันกระจุยไปใจไปว่าน้ําในหนองในบนจะแห้งแล้วนกกระยางต้องจําสินเพื่อจะให้ฝนตกลงมาบางทีอาจจะไม่ตกเราทำยังไงไปพ่อปลาทั้งหลายจะตกใจนกกระยางก็พูดอย่างนั้นทา่ทานท่านในนกกระยางเป็นตัวที่กินปลาแต่ว่านั่นก็ไม่กินปลาแต่ว่าเาขาจำสน ปลาตัวใหญ่ใหญ่พญาปลาต้อมาปรึกษากันลมาหานกกระยางขอร้องให้นกกระยางหน่ยขนพวกเรากเป็นลงสู่นา้าสู่บึงสู่ทะเลมีที่เดียวคือทะเลที่ไม่แห้งส่วนห้วยหนองคลองบึงต่างๆ จ, งจะแห้งหมด <c oughs> นกกระยางก็บอกว่ามีแต่ทะเลปลาทั้งหลายก็มาขอร้องให้นกกระยางเนี่ยขนตัวเองไปปล่อยในทะเลนกกระยางก็บอกว่า เรายังไม่มีเวลาเราจะต้องจำสิ่งก่อนพระฤาษีสวามิ ต, ต, ตมขอล่องนกกระยางให้ขนไปนกกระยางก็เลยตกลงคนไปปล่อยในทะเลเอาไปปล่อยไหนนกกระยางนะปลาเข้ามาเข้าแถวให้นกกระยางขนไปปล่อยในทะเลที่แท่งก็ไปกินเลยขนไปแล้ก็ไปจับไปก็กิจนบินไปหงอยบนต้นไมกก้จะกินอิมน่มแล้วก็กลับมา าบาทีก็มาเข้าคิวกันอยู่เดียวเดียวเราต้องจำสินอีกจันถัวมันจะเหียวไปกินเลยที่ไม่ต้องหาสินอนะไอันนี้เรีเจ้าเล่จ้าเล่สินเจ้าเล่สินรับจากตัวนี่มีตัวทั่วไปเนิดหน่อยก็โกรธใจสอกใจปอกใจบ่าทำอะไรไม่ได้าการสินเนี่ยถ้าไม่มีสติมันจะเป็นสินไม่ได้ สิ่นี้ต้องเกิดจากความรู้สึกตัวเกิดจากความรู้สึกตัวทําให้คิดบริสุทธิ์นะเราะมีสูจนดูเอ้าเรารักษาสิ่นเนี่ยมันอะไรที่มันเป็นสิ่ง น, <c oughs> นะสีเลยและสุกติงหยั่งติมันมีจริงๆริงไหมสีเหลและโพก็สัมปธาสีเลยนั่นนี่ปุตติหยั่งติมันมีนิพพานไหมมันเย็นสักหน่อยไหมมันเป็นโอโหแฟบแฝดอยูา่างไรถ้ามีสตินะ ถ้ามี้สติมันจะเห็นไปแต่กระทั่งมันคิดมันหลงพอมันคิดไปก็รู้สึกเปลี่ยนตัวหลงเป็นตัวรู้ทันเดีนี่รักษาสินแล้วก่อนที่มันจะพูดก่อนที่มันจะทํามันต้องหลงก่อนจะไปผิดสินอ่ะมันต้องหลงก่อนอถ้ามันไม่หลงมันไม่ผิดต่อกมันหลงในความคิดเนี่ยความคิดเนี่ยตัวการจะผิดสินก็ผิดอยู่ที่ตรงนี้ เจตนาหั่นตึกเวสีลังปรมธานิก่อนที่มือจะไปอขโมยของเขาไปฆ่าสัตว์ไปลักของไปเราพูดผิดในตามมันต้องคิดก่อนกอนที่จะพูดเทจพูดคําหยาบพูดเพ้อเจอ้อพูดสอนเสียดมันต้องคิดก่อนเห็นผิดจากตำลองของทำคิดประทุชล้ายเขาฟ้องล้ายเขาเห็นผิดจากตำลองของทำมันต้องคิดก่อนมันต้องหลงก่อน เรามันเล่นการตนหลงเลยให้มันรู้จุดตัวให้มันรู้จุดตัวเรามายกเวทีสร้างจังหวัดเป็นทั้งศีลเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาเป็นทั้งบุญเป็นทั้งกุศลมาทำบุญเนี่ยบุญคือตัวรู้เนี่ยบาปคือตนหลงมอ่าให้เราจะมาทำตัวมันก็พร้อมแล้วเราเป็นมนุษย์สมบัติ เราเป็นมนุษย์สมบัต <buoy> ิเราลู s <S <t 's Victor> more, ่สุดตัวลู่สุดตัวอย่างไงลู่สุดตัวอยังไงลู่หนึ่งลู่สองลู่สามลู่ไปลู่ไปลู่ไปโดยพาะจังหวะที่เราสร้างเนี่ยอยู่ในเกณฑ์วินาทีหนึ่งลูกครั้งหนึ่งเดินก็ในเกณฑ์วินาทีหนึ่งลูกครั้งหนึ่งก้าวหนึ่งลู่ลู่วินาทีละลูกช้าก็ไม่มากกว่านี้ไวก็ไม่มากกว่านี้เจ้วโมงหนึ่งก็ สามพันลูกแล้วสามพันหกรอยลูกแล้วถ้าลูกครึ่งหนึ่งก็ยังพอดีอ้าวมันขาดไปแสักพันห้าแล้วก็ลกอีกพันห้าก็ได้ยังไม่หลงหมดเนื้อหมดตัวพอเราก็มาทำอยู่นี่ตั้งใจอยู่แล้วไม่ได้ทำอันอื่นตั้งใจมามาทำอันนี้สถานที่ของเราไม่ผู้พาทำเป็นกิจลักษณะเนี่ยต้องมาฝึกอย่างนี้ก่อนแล้ว เราจะยังค่อยไปอยู่กับงานกับการอยู่กับบ้านอยู่กับอะไรก็ได้ถ้าไม่ฝึกมันทำไม่เป็น <c oughs> นั้นเราเป็นพยาบาลเป็นหมออยู่ๆจะไปทำอะไรต้องฝึกมาก่อนต้องรู้มาก่อนทำนี้ทำนานก่อนลักษณะของสมองความคิดอ่าจมีปัญญามีมือมีจิรตยาต่างๆเห็นแล้วทำได้ทาได้ทาได้เราฝึกมาก่อน ความรู้สึกตัวเนี่ยที่จะไปฝึกกับอ่ให้มันเปลี่ยนร่ายกลายเป็นดีมันต้องฝึกเอาไว้ก่อนความรู้สึกตัวนี้เรียกว่าหลักภาวนาเนี่ยเปลี่ยนร่ายกลายเป็นดีเปลี่ยนชีิตกลายเป็นถูกเนี่ยเราต้องฝึกเราต้องฝึกเราไหได้เปลี่ยนหลายครั้งแล้วมันหลงเที่ยหนึ่งเราก็รู้เทียหนึ่งเราได้เปลี่ยนแล้วมีบทเรียนแล้วมันหลงเที่ยหนึ่งเราก็รู้เทียหนึ่งมันหลงไปทางไหนเราก็รู้เท่านั้นหลงไปในทางเวทนา มันเวทนามันปวดมันเมื่อยเราก็รู้มันหลงไในความง่วงเราก็รู้บาทีมันใหญ่ความหลงมันก็ใหญ่ๆทั้งนั้นน้อยต้องขอสมผลต้องทวนกระแสความหลงในความง่วงโอ้มันก็ใหญ่ความหลงในเวทนามันก็ใหญ่ความหลงในความคิดมันก็ใหญ่อ่ามันก็ใหญ่การสู้กับการใหญ่ๆเนี่ยมันมีฝีมือนะ ไม่ใช่สู้กัเจ้ากระเจ็บไปอย่างงั้นความหลงมันเอามาทับถมเอาเห็นกายานุปัสสนา่นะ <c oughs> มันจะเป็นด่านของความหลงความหลงทางกายก็เนีืยกายานุปัสสนามีสติเห็นกายเวทนานุปัสสนามีสติเห็นเวทนาเวทนาคือคือสุขคือทุกข์ออออของกายของใจ สวัสุขทุกข์ก็ทําให้คนหลงได้มากกว่เหมือนกันนะทุกข์ก็คือการปวดการเมื่อยการเอ่ออะไรต่างๆเวกนี่ยมันทําให้เราหลงได้สนะวัสดิสุขว่าทุกข์ได้มันก็เป็นตัวหลงเป็นเหตุที่ทําให้หลงจริงๆแบบนี้เราออกมาเป็นตัวรู้เนี่ยมองคนละมุมัป ในความหลงในความรู้ตรงนั้นเราเราสวนตรงนี้ทวนตรงนี้ด้วยจะให้มันไหลไปกับความหลงทวน้วยเหมือนกับพระพุทธเจ้าเสี่ยงถาดก่อที่จะได้ตัดสรู้ถาดไหลทวนกระแสของน้ําถ้าจะเปรียบความหลงเหมือนน้ำแล้วมันไหลไปที่ต่ําำสักจิตของเรามันไหลไปทางต่ำแ <c oughs> บบ น, นี้ให้มันไหลขึ้นสูงคือมันทวนอย่าให้มันไหลไปทางต่ํา ความรู้สึกตัวมันทวนนะเนี่ยทวนกระแสนะความรู้สึกตัวนะเป็นการทวนกระแสของน้ำน้ำคือโอคะห่วงน้ำคือโอคาบางทีพระเจ้าพูดตัดเรื่องแสดงทำเรื่องอความทุกข์วันโลกกิเลสตัณหาเนี่ยเหมือนห่วงน้ำมันทำให้ทับถมมันทำให้ไหลไปทันตา ลอยทวนเอาไหวลอยทวนเราไหวการลู่สึบตัวเป็นการทวนกระแสมันจะหลงไปในความทุกข์มันจะหลงไปในความสุขความร้อนความหนาวความงวงหนาวนอนความคิดเนี่ยเอาความลู่กลับมาหาความลู่สึบตัวยตัวนี้ต้องสู้ทั้งนอนกลับมามันหลงไปที่ใดดีไปเลยก็หลงในดีมากนะมันจะได้รู้ถ้าไม่มีความหลงมันจะมีความลู่ได้อ่ะ ถ้ามันมีความทุกข์มันจะมีความไม่ทุกข์ได้ยังไงมองโต้กันข้าวอยหมดเนื้อหมดตัวการปฏิบัติธรรมแล้วมันก็ทําได้พอมันหลงก็รู้ได้นะรู้ได้ไหมคนก็รู้ได้ไม่มีใครรู้ไม่ได้ถ้าความโกรธเนี่ยเราจะหมดตัวก็ไปกับความโกรธลองสู้สักหน่อยมองถึงความไม่โกรธ สู้จากหน่อยแม้มันไม่ได้ตั้งใจก็อรอรอไว้รอรอไว้เว้นรักไว้เว้นรักไว้เว้นรักไว้จะรอไว้อย่าให้หมดเนื้อหม ด, หมดตัวรอไว้รอไว้นะลู่ไว้ลู่เสกตัวลู่เสกตัวไปกับลมหายใจไม่พูดในเวลาโพูดนะจะไปคิดเรื่องนั้นจะไปคิดเรื่องนะั้นมองในแง่ดีเอาคิดไปทางอื่นลู่ตัวกับมากับมาโดยเฉพาะการสร้นจังหวะช่วยได้เยอะหายใจเข้าหายใจออกไปช่วยได้เนี่ย ควมโกรธจะไม่ต้องมีอาวุธชู้นมามีความรู้สึกตัวอยู่กับลมหายใจหายใจเข้ารู้สึกตัวลึกๆหายใจออกรู้สึกตัวโอ้ใช่ลมหายใจลบกับกิเลสลบกับความโลภ ค, ความโกรธความหลงลองดูให้มันเป็นประโยชน์ใช่อริบทอริยบทให้มันเป็นประโยชน์ให้มันรู้สึกตัวด้วย เราใช่ไม่เป็นของดีไม่เคยใช้เลยการเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นประโยชน์ลมหายใจเนี่ยแม้บางทีเขาไม่ฝึกลมปราณเนี่ยทำให้อายุร้อยสามสิบสี่สิบปีได้รักษาโรคไดนะ้ยังมีอยู่การเจริญสติพิชิดกับเมอเหล่งได้น้องฟอนหนังสือเล่มนี่เป็นนักปฏิบัติธรรมผู้ห ย, ยินคนหนึ่ง เราเป็นโกคมะแร็งตัดเต่านมทิ่งทั้งสองมะเร็งโลครากลถึงกระดูกเขาสู้อาศัยความรู้สิตตัวอาศัยเนี่ยกำลังใจสู้ห้าปีชนะชนะมะเร็งเลยนี่เขาจะพาลูกชายมาบวชเตือนหน้าเพราะนั้นนี่มันมีประโยชน์นะความรู้สิตตัวนะี่ไม่ใช่ของเล็ก น, น้อยนะเป็นอมตะเป็นชีวิตจะเป็นอมตะ แล้วก็มีสติลงไปแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกการบริหารการยกมือช่างเจ้าว่านะมันไม่ใช่ของเล็กน้อยนะมันบริหารร่างกายทำไม ห, หน้าอกหัวใจต้นคอระวังไหลเนี่ยมันเป็นพลังงานทำไ ม, ไมอาจจะปวดนะสองสามวันเนี่ยอาจจะปวดพอทำไปสี่ห้าวันไปแล้วเบาวิว ว, ว, ว, ว, ว, วิเลยคนแก่ขนาดไหนก็ พื้นพลังขึ้นมายิ่งเดินจงกรมยิ่งดีใหญ่การเดินจงกรมเนี่ยยิ่งดีใหญ่เลยบริหารร่างกายทุกส่วนไม่ใช่เป็นนั่งหลับหูหลับตามาล้อนอนคอตกไม่ต้องไปทําแบบนั้น อ, อนอ่อนแอต่างกันนั่งสร้างแก่วนั่งให้ได้ท่าดีๆอเอามีอาสนะพูนั่งด้วยนั่งให้มันท่าดีๆสักหน่อยอตั้งตั้งใหม่เรื่อย นั่งไปนั่งไวมันจะอ่อนลงอ่อนลงหลังมาจะกดลงพอมันจะตกลงอพักใหม่เว้นรักไปยืดตัวใหม่ปรับใจใหม่อมยิ้มไหม่สักหน่อยแล้วก็ยืดตัวขึ้นไปยกมืออย่างบรรจงรู้จักรู้ตัวตะวันเก่ามานานเไยก็ปรับใหม่ปรับใหม่เหมือนเราก็บพิบตาเราดูหนังสือกับพิบตาเรื่อยกับพิบตาเรื่อยมันจะใหม่เรื่อยมันจะใหม่เรื่อยมันจะใหม่เรื่อยให้สนุกสนุกให้ใจดีๆนะอย่าไปอย่าไป อ ย, อย่าไปกลัวมันหลงอย่าไปอยากได้ความถูกอย่าไปกลัวความผิดอย่าไปอยากได้ความสุขอย่าไปกลัวความทุกข์ไม่ต้องกลัวหรอกอะไรจะมาก็มาเถอะเราจะรู้อยู่แล้ฮะเราจะรู้ท่าเดียวมันจะมาอะไรมันจะผ่านมาเท่าไรเราจะรู้ Power. สึกตัวรู้ส <po> ึกตัวรู้สึกตัวเรามีหลักเลยการเคลื่อนไหวเรามีหลับก็เดินรู้สึกตัวรู้สึกตัว วิธีวัสดุอุปกรณ์ที่ผิดความรู้มีมากในตัวเราในลูกในนามหายใจเข้าก็รูดได้พิฟตาก็รู้ได้เพื่อนไหวมือเดินจงกรมรล้ได้เหมือนกันนี่เรามาฝึดตรงนี้กันตรงนี้แบเป็นครูเป็นสถาบันเอามาใช้คิดความรู้สึกตัวออกมาชีวิตเราป็นสถาบันแห่งสติปัฏฐาน ไม่ใช่วัตถุอันเื่นชีวิตเราเป็นสถาบันอย่าไปเอาอ า, อาคารตึกหินอินดินปูนเป็นสถาบันมันเป็นชีวิตเราเนี่ยชีวิตที่มีความรู้สึกตัวเป็นสถาบันให้มันมั่นคง <c oughs> เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วใครจะมีไม่มีไม่เป็นไรตัวเราแลยวพ้อมแล้วเราพ่อก็อกไป ออกกวัดไปแลมเดือนแค่เพิ่งกลับมานี่เออดีเนาะมาก็มาวัดฝนตกนะโอ้ยตื่นใจนะไฟจะไม่ได้ไหมป่าต้นไม้ก็จะเขียวขึ้นมามาไปมาม่วงก็จะตีดอกออกโลกูกปีนี้ม่เดือนทุ้สัปดาห์ีนมีคณะสงฆ์าเมอิกามาประชุมกันทั้งหมดทุกวัดร้อยวัด เจ้าคณะอำเภอลองเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลลองเจ้าคะตำบลเจ้ า, าวัาทุกวัดในเขตอำเภออย่างเราจะมาประชุมเบทีเนี่ในวันที่ อ, อกที่เก็บทุกสภาอตอนนั้นเมาไปจะสุกงอมสวยนะคุณสาตว์เนาะมามาไปสุกเลยเหลือ้อหลามเต็มต้นเลยอยากให้พวกเราม า, มากินมาไปหวานๆอัว เรียนพสภามาไฟสุกสวยนะทีนี่ก็ออกลกูกเหมือนกันนะตอนนี่ก็พอแล้วนะนาตาตพาพ่อมอกัน <c oughs> ร, ร, ระหงสมาสมุตโตภาโธตัมภะโวันตัมภะโวาะ ตัวกัตโตะภวทัตโมธรรมนามะจาริปฏิปนุภควยตัวสาวกสังโฆสังฆนาม